ฟนะังธรรมกันนะกานได้ยินได้ฟังมากมากเป็นองค์คนของพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกโลกกระทาข้ อ, องลำแล้วจงไม่เพล้อ ทุกสถานในการทุกเมื่อก็ได้ยินได้ฟังมามากเราตัวรอดได้แล้วก็มีกายมีใจ <c oughs> <c oughs> มีเสียงไหมเลยหัดเสียงใต่เวลาไม่ได้อยอะวัด ที่ไหนก็ไมนเหมือนสุกตัวหรอกสุตัวเวลาเป็นสวนตัวเพราะเราให้โอกาสกันมากําสนับสนุนใช่เวลาสวนตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกายต่อจิตใจให้เติมที่ นกไต้องไปหาหมอทุกใจเขาหาศีลหาธรรมอย่างนี้ไปตั้งอื่นหามไปก็ได้เชิญหลงตาเนี่ยนอนเตียงนี่จันจ่นตุ่มจั่นนวดใสไปหาหมอ ออาจกันขนาดใดก็เข้าไปหาเพื่ออยากให้หมอตรวจร้อนนอนอยู่ในผู้คนชุมชนไยก็เจ็บไข้เลยป่วยก็หวังเพึ่งหมอลูกร้อนหามไปนักงรถเข็นไปอา ก, กล้จะ ก, กลาย บางทีก็หายได้บางทีก็ไม่หายโลกของกายโลกบางอย่างรักษาหายโลกบางอย่างรักษาไม่หายลม้มตายไปน้อนอยู่ด้วยกันใน ห, ห้องไอซอยู่เราก็เห็นกันอยู่ห้ามกระจกตายที่ก็ตายไปแล้วไสออกไปอญาติพี่นอ้องร้องให้ตาม นั้นก็มียิ่งเราเห็นสภาพเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เคยฝึกขนตนเองก็แพ้แพ้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้แต่ถ้าทุกใจถ้าช่วยกันจริงๆอย่างนั้น ว่าจะดีมากก็าหาศีลหาธรรมหาครูบาอาจารย์ผู้ที่พอจะเป็นกัลยาณมิตรชี้ทางบอกทางให้ก็จะยินได้ฟังบ้างให้อยุ่ให้ยาดเป็นโอสดบ้างเช่นมันหลงไม่หลงก็ได้หัวเลาะขวามหลงหวืนโกรธไม่โกรธก็ได้ เราความกดผู้ที่ให้สติปัญญาก็ต้องมีลักษณะน่าไม่ไม่ใช่ความถูกต้องจริงๆยืนหยัดเออทุกไมกกไก่ถูกต้องหรอกผมไปทุกถูกต้องช่วยกันยิ่งเราเป็นสัตว์สังคม มีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่ก็ยิ่งก็ตื่นร่นช่วยกันในเรื่องนี้เห็นกันอยู่เห็นคนหนึ่งโกถห็คนหนึ่งตัวกันคนหนึ่งมเพียชนะใจะกระตือลร่นช่วยกันหามกันไปหาหมอหรือช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้บางทีก็ใช้คนอื่นด้วยมีเพื่อนมีเมธที่ดี เป็นแบบอย่างแต่บางทีเราก็ต้องช่วยตัวเองบ้างต่างช่วยคนอื่นทั้งคนอื่นช่วยด้วยบ้างแล้วก็จึงจะหลุดพ้นจากจริงทั้งหลายทั้งปวงได้โดยเฉพาะเลาปฏิบัติ มีแต่สิ่งที่สนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติธรรมในรูปในกายดีก็เป็นเครื่องบือที่ทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมไม่ควรประมาทว่ามันหลงให้เห็นอยู่มันทุกข์ให้เห็นอยู่มันเจ็บให้เห็นอยู่มันเจ่มันตายให้เห็นกันอยู่เดินก็ไปสู่ความเจ็บความเจ็บความตายทุกวันก็ไม่ควรประมาทนี่แหละทาให้เรา ด้ยปฏิบัติธรรมเห็นภัยในเรื่องนี้เห็นภัยในวัดเจาะสงสารก็มีตัวอย่างมีอุล ม, มกครกูเช่นผู้เจ้าแม่น่าจะจนให้กายให้เป็นประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ เืองิดใจก็จะสนันุนให้เราได้ปฏิบัติธรรมนั้นมีความทุกข์ให้เห็นอยู่มีเกลื่อนตัณหาให้เห็นอยู่ทําไมเราจึงต้องหลับใช้เหมันทุกทีเวลาที่มันเกิดอะไขึ้นบ้างในการในใจเราจะยอมทุกเรื่องทุกเหล่าอยู่จากนั้นหรือไม่เห็นภัยบ้างหรือนอง แหวก็ไปลองดูในเช่นมันหลงแหวกไปสู่ความไม่หลงมันทุกแหวกไปสู่ความไม่ทุกแเหมันโกรธแหวกไปสู่ความไม่โกรธใชยโอกาสขอโอกาสให้ได้โดยเฉพาะพวกเราฝึกกรรมฐานนี่ไม่โจนง่ายนะ สาธยายพระสูตรสาธยายคาสอนของพระเจ้าทุกวันมาใช้ได้หรือใช่ในขาง่ายของเราในใจคนเรานี่มันมาพร้อมกันเช่นมันหลงก็มาพร้อมกับความไม่หลงมันทุกข์ก็มาพร้อมกับความไม่ทุกข์มันเจ็บก็มาพร้อมกับความไม่เจ็บ เราที่มันเกิดขึ้นมันเป็นคู่มันเป็นคู่อยู่ไม่ใช่เป็นดันสุดตรงมันเดียวมีผิดก็มีถู ก, ม, ก, ม, ถกมีถูกก็มีทุกมีทุกก็มีไม่ทุกเราจะไม่จอจนถ้าเราศึกษากรรมฐานมีสติเป็นเจนชีวัด ตรงกับความหลงโดยเพราะความรู้สึกตัวนี่มีอยู่ในการก็เห็นเรื่องของกายทั้งหมดอะไรที่เกิดกับกายเห็นหมดรู้หมดไม่ใช่ไม่รู้ถ้ามีสติแล้าไปเกี่ยวข้องอะไรที่เกิดกับใจถ้ามีสติเข้าไปเกี่ยวข้องรู้หมดไม่จน มมีทางประโยถ้าตัวเฉลยไปอยู่ตัวย่อยประยู่เหมือนหยกเหมือนยาธรรมโอสถนี่มีความหลงมีความรู้สึกตัวอยู่ทีหอโอสดเข้าไปรักษาโลกทา ง, ยายงจิตใจหลงตากเป็นโลกบัเล็ง ข้เนื้อจะลําคอในตับหมอให้ยาเข้าไปสลายข้อเนื้อจะลําคอในตับมก็มก็ใช้ได้อนั้เป็นวัตถุส่วนดุ้นเป็นกน้อต้องมีวัตถุที่หนึ่งที่สองมีบุคคลมีสถานที่มีเครื่องมือ แต่เรื่องที่เกิดกับใจนี่มีอันเดียวไม่มีวัตถุที่หนที่สองคนอื่นก็ช่วยไม่ได้มีเพียงแต่ว่าเป็นกา ร, ระยะนานมิต ร, รมีทำเป็นกา ร, ระยะนานมิตรมีบุคคลเป็นกา ร, ระยะาณมิตรมีวิธีปฏิบัติเป็นกา ร, ระยะนานมิตรไม่มีเรื่องจนเลย สิ่งที่เกิดกับกายกับใจถ้ามีสตินะเราจึงมาฝึกกันไหวสักหน่อยอย่าช้าเกินไปนั้นหลงให้ลูกไวๆไหวต่ะคุ่มหลงบันทุกให้ลูกไวๆไหวตะควาทุกแล้วปล่อยทิ้งไว้ มันโกรธให้รู้ไวไวอย่าปล่อยให้มันโกรธมันมีอะไรพองแตตงกิเลสต้ะหนัหลาคา่ะซึ่งไม่มีตัวเมตมตนไม่เป็นเชโรกรู้ไวไวเข า, วารู้จักตัวไวไวอย่าปล่อยมันไปเมือกับมีภัยจะเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไวไวป้องกันแก้ไขเปลี่ยนร้อยเป็นดี ใชิธีปฏิบัติตามหลักกรรมฐ า, านอารมณ์กรรมฐ า, านอะไรที่เกิดกับกายก็เห็นจักว่ากายจัว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนโลเขาอะไรเกิดกับจิตใจก็สักวิจิตไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนโลเขานี่สติกุ้ง ม, มนเหนือ ไม่มีตัวไม่ตีตนในกายหลายชั้นไม่มีตนในจิตหลายชั้นไ ม, มีกายเปนกายธรรมดาถ้าเราไม่รู้ไม่ก็ไปหลายพบหลายชาติ ก, กับกายนี่ถ้าเราไม่รู้เกิดเพบ่มกว่าชาติกับจิตใจนี่หลายพบหลายชาติ ผู้ภูมิงต่างเกิดกับกายผู้ภูมิงต่างเกิดกับจิตใจเราจึงไม่ควรประมาณน่ากลัวที่สุดนะในจิตใจนี่ก็มีกิเลสพันห้าตัณหาร0อยแปดจึงไม่ใช่ตัวใช้ตนที่ไหน แล้วเราก็ไปรู้ออกมาเป็นตัวเป็นตนรับใช่มันในอาการที่เกิดกับกากระจายเป็นตัวเป็นตนหมดเป็นไปกับมันทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปความสุขเกิดขึ้นก็เกิดความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เกิดความทุกข์อยู่เช่นนั้นเราจึงมีสติมาดูให้มันได้ มีแสงสว่างสองทางให้มีการหลุดพ้นจากจิตเหล่านี้บ้างหลงที่หนึ่งลู้ที่หนึ่งเข้าไปให้เป็นความรู้สึกตัวเป็นเจ้าถิ่นเจ้าของเอาไว้ก่อนตอเตรียมพรม้อมก็จะได้ใช่ต้องใช่ถ้าไม่ใช่ มันไม่งอ ไ, ไม่โมกไม่งกไปงามไม่ใช่ความรู้จึกตัวมันก็ไม่งกไมงามบางทีอันความหลงงอกงามขั้วความรู้จักตัวในกายเรานี่ในใจเรานี่หลงกับรู้อะไรมันมากต้อยขัวากาันอย่างนี้ไม่มีใครเห็นตัวเราเวลาเราเปิดกกรรมฐานมันจะเห็นหมด ไม่เคยเห็นความคิดก็เห็นความคิดแต่ก่อนเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดไม่เคยเห็นสุขไม่เคยเห็นทุกข์มีแต่เป็นสุขเป็นทุกข์บอกมีสติีันจะเห็นสุขเห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์ไปเหนงอเหนืออย่างนี้ไปสูงสูงแบบนี้ไปทางต่ำต่ำ จำนนทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดกับนไปกับใจแล้วก็เป็นที่พ่ายแพ้คนขี้แพ้ตาลชัยพ่ายแพ้ตาไหลิกไม่มีโอกาสบรรลุธรรมถ้าหลงเป็นหลงแต่ทุกเป็นทุกไม่เวอโอกาสบรรลุธรรมได้ ไม่ไม่ใช่ไปอ้อนบอนพิธีังอย่างใดนอกจากเรามีสติครับบางตั้งท่าดูดีๆมันจะมาให้เห็นหมดนั้นคนพกบ้านพ่เรือนของบ้านของเดือนของกลางของกาศ ข, ของคนของทรัพย์ สิ่งที่เกิดกับปาเกับใจนี่ถ้ามีสติอินซีมันจะใหญ่เดีย๋ยวนี้กายอินซีตาหูจะหมดลิน้นใหญ่กว่าสติเพราะไม่ค่อยได้ฝึกหัดตาเอาไปใช้ได้เกิดอะไรต่างๆได้หู เราต้องลดกิ่นเสียงเา้าที่มันเป็นใหญ่ัก็ดึงไปกันเราจึงมีสติเป็นเจ้าของมาดูมาคลองกายของใจลองดูช่วงช่างสะบัดงูช่วงงูเล็บลื่นโบราณท่านว่าปึกตนโอนตน ไม่มีใครช่วยได้ตัวใครตัวเมือนแล้วก็เป็นเพื่อนการสนับส น, นุนเวลาเราปฏิบัติเหมือนกับเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็อยู่เฉพาะเนื่อนี่แล้วเราหลงอู้พุทธเจ้าเคยหลงจึงมาสอนเรื่องหลงให้เป็นความ ร, รู้พุทธเจ้าทําอย่างนี้ เวลาใดเราทุกข์โอ้พุทธเจ้าเคยทุกข์เวลาหมนทุกข์ไงรู้สึกตัวพุทธเจ้าทำอย่างนี้จึงพ้นจากทุกข์อะไรที่มันเกิดกับกายกับใจไม่ได้จนเล ย, ยเยอะแยะวิธีปฏิบัติต่อกาต่อใจ <c oughs> ยิ่งพวกเราเป็นนักปวดอยู่วัดวาลามมันก็ชั่วไม่ได้ยิ่งเรามีคนช่วยเหลือก็ชั่วไม่ได้สามสนุนนี่เราได้พัฒนากายใจของเราให้ดีขึ้นเป็นพูดรับทักษิณาทานเป็นพูด ท, ทากวรทำอันเฉลีกราบไหว้เราก็ยิ่งไม่ประมาท แล้วก็เป็นจากนี้ทำไม่ไหนเปลีย่ยงนี้มีระเบียบมีวินยัยยิ่งเขาประกอบเข้ารูปเข้าพิมพ์เข้าเช่นเข้าสายนี่เหมือนกับเช่นได้ล่อยชีวิตของเราให้เป็นระเบียบอยู่เสมอกอบแบบ ยิ่งมีธรรมหน่อคิดจิงได้ประกอบด้วยเมตตาเข้าไปพูดจิงได้ประกอบด้วยเมตตาทำจิงได้ประกอบด้วยเมตตาแล้วก็มีทวารอยู่สามในการมีวาจารวิจัยน่าจะเอากันอยู่ถ้าเอาตรงนี้ให้อยู่แล้ว มันก็ไปทางถูกต้องเป็นบกักเป็นผลถ้าไม่ดูแลรายวาจาใจมันก็ไปกระจุยกระจายเป็นทุกข์เป็นโทษได้เพียงแตคิดก็เป็นทุกข์คิดขึ้นมาเป็นเิเลสตันหาเป็นสังขารสมุทรไทย รสชาติฉลาดบราเนเดินพวกเป็นภูมิต่างๆจากความคิดคุ้มร้อยคุ้มดีเห็นเห็นตัวเองอยู่เราจะเป็นเช่นไรถ้าเราไม่ฝึกมีจิตมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองปล่อยทิ้งแล้วแต่มันจะ สั่งงานอะไรก็คอรับใช้มันแ่แล้มันโกรธก็ทําตามความโกรธแล้มันทุกข์โกรยอมให้จำนวนตกความทุกข์แล้วก็ไม่กลุ้มค่าที่มีการมีใจร้า ย, ายใจของเราไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นมันมีการมีัยมาให้เราใช้เพื่อเกิดมาเกิดผล ไม่ใช่มาเกิดอย่างอื่นนี้ประโยชน์ขอบคุณที่มีกายมีรูปนี่ได้ทำความดีสุดฝีมือขอบคุณที่มีน้ามมีจิตใจได้อะมาใชใ้เกิดความดีได้สำเร็จอะที่ไม่เกิดอรที่เป็นความไม่ดีในการในใจนี่เปลี่ยนเป็นดีได้ทุกเรื่องเลยทีเดียว ไม่มีสิ่งไหนที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้ า, าไม่ฝึกก็ยอมทุกเรื่องยอมแพ้เราต้องเป็นหัวใจโพธิสัตว์เป็นหัว ใ, ใจพุทธะหนพุทธะขึ้นมาเราคนหนึ่ง เวลานี้วันนี้ชั่วโมง น, นี้มีสิทธิที่ทำความดีให้เกิดขึ้นกับกายกับใจให้เต็มที่ไม่มีการไม่มีเวลาที่จะอะไรที่ต้องแบ่งไปอย่างอื่นใหาใช้สิทธิเพื่อให้เกิดการทำความดีต่อกายต่อใจ ไห้เกิดกับทุกคนพวกเราก็จะรับชนมูนกันเพื่อนเป็นมิตรแม่ไบลลี้พูดด้วยไม่เดินดัางอยู่ด้วยแม้จะอยู่ด้วยกันก็ยังเป็นดันเดียวกันอยู่ตอนนี้เพื่อนมิตรของเราคงมี คนทำอัไรหนึ่งเกิดขึ้นถ้ามีสติเหมือนโต้นก็ไปฝังดินไว้ปลูกข้าวปลูกข้าวลงดินแล้วคงงอกค ง, งามขึ้นมาก็าได้บอกก็ได้พูดถ้ามันหลงไม่หลงก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุ ก, ก ข, ข์ก็ได้เวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้ อย่าหลงไปในความหลงอย่าหลงไปในความทุกข์ต้งไหนที่ไไม่ใช่ติีให้มีสิติลงไปแล้วก็กปิดบาโงกงามเหมือนสอนพืชเช่นดใดย่อมแล้วรับผลเช่นนั้นยังมีคนอื่นมีคู่อื่นหวังพึ่ง เห็นพอนหนุ่มแม่คินสาวๆโยโยา โ, โยมปฏิบัติธรรมก็เหมือนมีที่พึ่งเดินเดินจงกรมเห็นสุกรรมฐาน็ขจังว่าออมีที่พึ่งถ้ายกมือขึ้นรู้จึกตัวเดินรู้จึกตัวก็เป็นที่พึ่งได้ของคนอื่นได้สิ่งอื่นได้วตัตถุอื่นได้ ถ้าเราอยู่ในความประมาทไม่ด้วยจะพึ่งใครอะไรของกู น, นี่ของกูนนง ก, ก, กูมึงมึงอันตรายก็เกิดขึ้นมีแต่ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ถ้ากูกมึงมึงปฏิบัติมัน ปฏิบัติธรรม น, นั้นเหมือนขนิษฐาลบทุ ก, กูลงลบตนลงนจนเหลือศูนย์หมนะให้มันเหลือศูนย์ด้วยนะไม่มีตัวตนที่ใหเป็นสุขไม่มีตัวตนที่ให้เป็นทุกข์ อาไรจะเกิดกายไม่มีตัวม่ตนที่เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเกิดกับจิตใจไม่มีตัวไม่ตนที่เป็นสุขเป็นทุกข์เห็นหมดทุกเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องเก่าๆมันเป็นเหมือนกับนักการนักกว่าชิปเก่า ที่เป็นกองวิช า, า, าแล้วฉช่หรน่าจะเบื่อห น, าน่ายน่าจะจืดชืดควมกรก่อนเก่าความทุกข์ก่อนเก่าความตั้งหาก่อนเก่าจบทุกกนเก่าเ ก, เก่าควมเก็บความแก่ความตายก่เก่าเก่าตายในความคิดเก่ในความ คิดเกิดในความพิษความโกรธก็เกิดเจ็บเจ็บตายความทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายความรักเกิดเจ็บเจ็บตายโดยจึงไมหน่าจโยม นอกจากมันเกิดในตัวมันแล้วยังมีภัยอันตรายอีกมากมายชีวิตของคนเรานี่เต้รถใช้เรืออาหารการก็กินชีวิตประจำวันจิงแลมลงหน้าบา่าบ่าหน้าก็กระโดดกันให้ไกลไก่ ตือนทุกตื่นโลกมีเท่นี้หรือโลกเนี่ยเรก็ออกบวดจากบ้านจากเดือนมาอย่างนี้น่าจะกระโดดได้ไกลๆชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งกระโดดอะไรผ่านอะไรไปเมื่อกระสมัยก่อนได้ยิน ผู้ปฏิบัติธรรมดนพูดเรื่นั่นเรื่นี้ให้ฟังผู้ อ, อื่นมาพูดในฟังบ้างหลวงพ่เถียนก็พูดพระองค์นั่นเป็นงั่นองพระองค์นี้ตอนนี้เขาไม่ทุกข์แล้วเขาไม่หลงแล้วไม่คีคนนั่นไม่หลงแล้วโยมคนนั่นเขาไม่หลงแล้วบอกชื่อบอกนามแล้วก็สังเกตดูก็ ก็ใช่ได้แม่นยำชัดเกนยิมงยามวิาไม่มีอะไรแอบแฝงในกาย่าสาถวยตื่อชื่อตรงตรงดคมสองคำก็อนสิ่งก็อทำนักจะเป็น ปฏิบัตในคำพูดไม่เป็นลายช่องัวมันเป็นเช่นนั่นอยู่เสมอก็กับพูดกับคนที่มีเรื่องทำให้ร่อนร้องก็ไม่เป็นลายกพิพษก็ไม่เป็นลายก็านเห็นหมดไม่มาเป็นเรื่องตื่นเต้น นี่คือมีอยู่ในโลกทุกพระเจ้าก็ส่เสริญสาวกของพระองค์ให้พระสาวกทั้งหลายฟังแนะนำให้สาวกอื่นไปเอารูปที่พระเจ้าส่นเสริญเป็นเพื่อนเป็นมิตรให้ได้อยู่ที่ไหนถ้ามีสาวรีบุดอยู่ให้มุกคน้ออยู่ มีอุบาลีมีอนุทะมหาการส ป, ปะอยู่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่สมควรสาธารณรัฐก็มีลูกชิดมากมหาการส ป, ปะก็มีลูกชิดมากปาาจารเป็นสุภาษิต เนตัวอย่างแบบอย่างพูดแต่ความเท็จความจริงให้ฟังควมหลงไม่จริงเป็นความเท็จความทุกข์ไม่จริงเป็นความเท็จความไม่หลงเป็นความจริงความไม่ทุกข์เป็นความจริงเมื่อเราได้ยินแล้วเมื่อเกิดกเราก็เอาคําพูดเรามาสอนตัวเองก็ใช้ได้ถือเป็นการยานมิตรถือเป็นครูอาจารย์ คกลือทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้เออเรายกมือขึ้นเออรู้รู้สึกตัวเออมีผู้ไม่เคยมีคนสอนให้รู้สึกตัวภาในกายเออนี่ใช่ได้ยกมือขึ้นรู้สึกตัวเนี่ยเออมันถูกต้องจริงจริงโดยใช้มือใช้กายให้รู้สึกตัวมันเดินไปก็รู้สึกตัวมันคิดทั้งใจ ก, ก็รู้สึกตัวเออนี่ใช่ได้แต่ก่อนมันก็หลงไป เรื่องอะไรต่างๆไม่รู้จริงไหนที่เกิดเ ก, กลี้ยากับใจไม่มีเรื่องรู้เลยไปกับมันทั้งหมดก็เกิดจต่าในวิธีการเชื่อมั่นในวิธีการจะยกมือขึ้นก็รู้เนี่ยยกมือขึ้นก็รู้วางมือลงก็รู้อย่างนี้น <c oughs> ในเชื่อมัน่นเกิดจต่าในเรื่องนี้ไม่เกิดจต่าจากคําสอนเกิดจากศรัทธาจากการละมาสองผัส คำสอนนั่นเอามาสัมผัสเอามาทําดูก็เลยเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาเกิดความเพียรขึ้นมาเมื่อศรัทธาอย่างนี้ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอระพุทเจ้าทำอย่างนี้พระสงฆ์ทำอย่างนี้เกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดมีศีลเกิดมีสมาธิเกิดมีปัญญาขึ้นมาสนับสนุนนี่ถอยหลังอราจะพูดยังไงก็เอาไป เราได้หลักอางนี้นี่คือรูภ้ภในกาอย่างนี้ที่ไหนที่เกิดกับกายรู้จึกตัวที่ไหนที่เกิดกับใจรู้จึกตัวยิ่งเราามาประกอบก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นบางอย่างไม่เอามาประกอบมันเกิดขึ้นมาให้เราได้ฝึกหัดให้เราได้รู้มันเรียนรู้วันเช่นความคิดได้เห็นความคิดตัวเองที่ไม่ตั้งใจสักหน่อยเลยเวลาเราสร้างจังหวะอยู่บางคิดขึ้นมาได้เห็นความคิดกลับมาลู่นี่ เปลี่ยนความคิดความหลงผิดความรู้สึกตัวรู้สึกว่ามันถูกต้องที่สุดเป็นความเป็ดชอบทาชอบผู้ชอบผิดชอบที่สุดเปลี่ยนร้อยเป็นดีได้สำเร็จไม่กลัวอะไรที่เป็นความผิดที่มันเกิดกับกายกับใจ <c oughs> จะมากเท่าไหร่จ <c oughs> ะรู้ได้ทุกอย่าง นี่เป็นภาพปฏิบัติเป็นภาพเราสัมผัสเกิดจัตวา ใ, ในคราวเดียวกันเกิดความเพียรในคราวเดียวกันไม่ถอยหลังบ่ไดเป็นพิธีเฉยๆยกเมื่อขึ้นใดมันสุดหัวใจเหมือนอยู่ในอก ตัวนั่งพระผ้าของผู้เจ้าใดที่เวลาใดที่มันหลงรู้สึกตัวเหมือนกับผู้เจ้าสอนธรรมาชาติมันสอนธรมนรมสอนธรร ม, รมือไม่ใช่ธรรมมันสอน ธรรมคือความเป็นธรรมคือความผูกต้องที่เกิดกับนายกับใจนี่ทํามันโสอันได้สมผัติได้สมผัต <c oughs> ไ, ได้เกิดความปลอมในเ้าเดียวกันไม่จนเป็นผู้ไม่จนชีวิตไม่เป็นหมันไม่เป็นหมันในความหลงไม่เป็นหมันในความทุกข์ไม่เป็นหมันในความผิด ในความหลงมืนความไม่หลงแน่นอนสำหรับทุกขั้งทุกเท้าแล้วก็ตื่นลือโลดเกิดความเพียรเกิดสมาธิใส่ใจแม่นยำชัดเจนแม่นแม่นอย่างนี้ได้ทาอย่างนี้เหมือนกับสมอรภูมิของชีวิตที่จะลบกบข้าศึก ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจต้นชาติชะลามรณะโสกับปิเทวะทุกต่อยสมอละภูมิได้ใช้ภูมิที่ดีมีสติปัญญามีศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่พ่ายแพ้ โลความหลงขวบโลความทุกข์ขวบโลจิตเดชเหล่าโยช่วยมันมันก็ต่างกันนี่ทําไมเราไม่รู้เพราะมันเคยเป็นมาเมื่อมันม่เห็นมันไม่เป็นมันก็ต่างกันขึ้นมาแต่ก่อนมันเป็นไปกับทุกอย่างที่มันเกิดกับปากับใจแบบนี้มันเห็นมันไม่เป็นทำไมจะไม่สูงก็เป็นจิตก็เป็นจิตที่สูงขึ้น ทำไมจะไม่มีฉินเมื่อเปลยนนี่ก็มีฉินเกิดขึ้นมาไม่ปเปื้อนในความหลงในความทุกในความโกรธได้เิลยตัณหา <c oughs> นี่คือเผื้อนพุทพงศมจันทร์ทำไมไม่ทำไมจะไม่ว่าพงศมจันท์มาบริชุดด่าเห็นมันบริสุทธิ์กว่าววนนวการเป็นการเป็นมาเปื้อนก็นเกิดเพราะที่เห็นขึ้นมาเนี่ย บริสุทธต้องกายทั้งใจอยมันก็งามขึ้นมาึง่างามขึ้นมาองอาจขึ้นมาตัวบริสุทธิ์ก็หมดจดก็เศ้าหมองเป็นของของเราที่ทําเองเชื่อมันอย่างนี้นะเาจะยกมือไหวตัวเองได้ ภูมิใจที่เราเกิดมามีกายมีใจได้มาทำอย่างนี้ภูมิใจที่มีครูบาอาจารย์สอนอยา น, นี้ภูมิใจที่มีธรรมพระเจ้าได้ตัดสั้รู้เรื่องนี้จริงๆใบทางนี้จริงๆวะเนี่ยไม่ความหลงไม่ไปทางนั่นมาความไม่หลงมาความรู้สึกตัวเนี่ยเห็นมนเนี่ยมาทางนี้จริงจริงแล้วมันก็เห็นลอย พรบาทของพระเจ้าน้อยศิียงน้อยธรรมบอกทางเราผิดถูกบอกเราถูกทุกบอกเราแต่ก่อนเราก็หาเราก็เอาเรื่องนัดนเอาเรื่องนี้เอาเรื่องผิดเรื่องถูกบ่าวยังไม่ชำนาญ เวลาได้หลงก็ไม่ค่อยชอบเวลาได้รู้ก็ชอบเวลาได้สงบก็ชอบเวลาไดไม่สงบพุ่งซ่านก็ไม่ชอบเวลามันหลงก็มาสร้างผมรู้สึกตัวเอาผิดเอาถูกความหลงกับความรู้มันก็หนักทำใหม่ๆยากสวนกะระแสตัวบรรจับนานมันก็ไม่ทำแบบนั้นมาค่อยตัว มันหลงก็เห็นมันหลงไปเรียบเรียบแบบนี้มันสุกก็เห็นมันสุกมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์ไปเรียบเรียบไม่เอาผิดเอาถูกกับสิ่งที่มันเกิดกับกากับใจไม่เป็นความรู้เฉยๆรู้ซื่อเฉยๆกับเบาๆเป็นกาและหัวตากายก็บเบาจิตละหตัตใจจิตก็บเบาของหนักเป็นของเบาขึ้นบ้าง ของยากมันหนักของง่ายมันก็หนักสุขมันก็หนักทุกข์มันก็หนั ก, ก, ม, น ก, นกมันเป็นคู่กันอยู่พอมาเห็นสุขเห็นทุกข์มันบอบโ บ, บึ้นไปเรารู้จักตัวเองก็เกิดปิติบ้างเกิดปัจจุบันบ้างยิ่มอกอิ่ใจชื่นใจหลเลี้ยงทําให้ ไม่มีอะไรยากแต่ว่าอย่างนั้นในโลกนี้เราจะมามีค่าชีวิตขึ้นมาออนีีสุดไม่เป็นอะไรกับอาไรหรือว่าจบหมดที่จะให้ว่าอะไรมก็จบมาจริงจริง่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เป็นไปกับทุกเรื่องไม่มีอะไรที่จะให้เป็นไปกับมันยิ่งใหญ่ย นี่อะไรถึงสงนี่ปลไฟยชัางหน่อยปีใหม่มาปันที่สิบเอ็ดสิบสองีวันนี้แล้วออวันนี้ก็สงควรใชเปล่า